ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนาพระอมราที่รักิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรถเจนาจะกล่าวในยานาดิกถาก็เรื่องของยานเป็นต้นข้อหนึ่งไม่เป็นไขยอยาไปด้วยยานมีช้างมา้าเกวียนเป็นต้น ถ้าไปต้องทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิฆเเวยาเนญนยายิต บ, บังดังนี้และเป็นใข่จะไปด้วยยานควรอยู่ยานนั้นเทียมด้วยบุรุษคือโคผู้หญิงเป็นสารถีหรือบุรุษเป็นสารถีควรอยู่แต่ถ้าเทียมด้วยโคตเมียนี้ไม่ควรนะก็แลยานถักลาก ด, ด้วยมือหญิงหรือบุรุษถักลากก็ตามควรอยู่คานหามกระดานและ เปรผ้าผูกในไม้ก็ควรด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวขิลานัสยานังอนุข้อความละนะปุปริสะยุตตังหัตถวัตตะกังอนุข้อความละสิวิตังตาตังจิงดังนี้อนุชานามินั่นแหละข้อหนึ่งไม่เป็นค่ายยาสวมรองเท้าเข้าบ้านถ้าสวมเข้าไปต้องทุกกฎ ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิคเวสะอุปาหาเนณคาโมปวิสิตัปโบดังนี้เป็นไข่สวมรองเท้าข้าบ้านควรอยู่ด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวท่ลาเนเณณพิกุนาสะอุปาหาเนณคามังคันตุงดังนี้ข้อหนึ่งอย่าสวมรองเท้าสองชั้นสามชั้นถ้าสวมต้องทุกกดรองเท้าชั้นเดียวและรองเท้าสี่ชั้นเป็นของเก่า ควรในประเทศทั้งปวงนะปกติก็ให้ใช้รองเท้าชั้นเดียวแล้วก็รองเท้าสี่ชั้นก็เป็นของเก่าด้วยนะแต่สองชั้นสามชั้นนี่ไม่อนุญาตถ้าสวมแล้วต้องทุกกดด้วยทรงอนุญาตและห้ามไว้ว่อกกวอาวอนุชานามิพิทเวเอกปลาติ ก, กังอุปาหนังณนะิคุณังณติคุณังอุปาหนาทาเรตบาอนุชานามิขอคาละ โอมุ ก, กังขนังฆนุปาหะนังณ น, นาวาขนังฆนุปาหนาทาเรตบาดังนี้รองเท้าสี่ชั้นเป็นของใหม่ยังไม่ได้ใช้ควรแต่ในปัจจันตประเทศอย่างเดียวในมัชชิ ม, มะประเทศไม่ควรถ้ารองเท้าสี่ชั้นนี่เป็นของใหม่มใช้ได้สำหรับปัจจันตะประเทศแต่สองชั้นสามชั้นห้ามใช้ชั้นเดียวกับสี่ชั้นใช้ได้ แต่ว่าสองชั้นสามชั้นใช้ไม่ได้เพราะในปัจจุบันประเทศนี่ใช้สี่ชั้นได้ชั้นดี่เอวก็ใช้ได้เหมือนกันของใหม่แต่ว่าถ้าเป็นในมัชชิมะประเทศนี่ไม่ควรด้วยบรรยัตินี้เป็นประเทศปบัญญัตเป็นปัธยสัญบัติหมายถึงบัญญัตเฉพาะประเทศเท่านั้นถ้ารองเท้าชั้นเดียวกับรองเท้าสี่ชั้นที่เป็นของเก่าชั้นเดียวเป็นของใหม่ก็ได้ สี่ชังของเก่านี้ควรในประเทศทั้งปวงทั้งปัจจันตชนบทและทั้งมัชิมะประเทศแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่ตองเ ท, ท้าชั้นเดียวใช้ได้ของใหม่แต่สีชั้นนี้ของใหม่นี้ใช้ในมันชิมะประเทศนี้มีควรก็แล้วพระบัญญัติซึ่งเป็นปัจเทศบัญญัติเฉพาะอนุญาตในปัจจันตะประเทศมีอยู่สี่อย่างสี่ข้อด้วยกันโดยทรงอนุญาตด้วยว่าอนุชานามิพิฆเวสับะปัจจันติเมตุชนะประเดสุวิญญาระปัญจามีนะ ขั้นเนรณะอุปสัมปดังข้อความละเหมือนกันแล้วก็ขัน้นนางคนุปานหานังข้อความละเหมือนกันแล้วก็ทุวันหานังแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือจำมานิอัถรานิเอระจัจมังอาชฌะจำมังมิทะจำมังความว่าเราตถาคตอนุญาตสี่ข้อก็คือข้นนหนึ่งขั้นสองมีพระวิเนทอนคืออนุสาวรนกาจารย์เป็นที่ห้า ให้อุปสมบทกลุ่มบทขอ้อที่สองก็คืออนุญาตรองเท้าสี่ชั้นขอ้อที่สามอนุญาตอาบน้ําเป็นนิสขอ้อที่สี่อนุญาตหนังเจียมหนังแพะหนังเนื้อเป็นเครื่องล่าสี่อย่างนี้ในปัจจันตชนบททั้งปวงอนุญาตนะใช้ได้ในมัชชิมะประเทศไม่ควรในมัชชิมะประเทศคณะสงทั้งวินัยทรด้วยตั้งแต่สิบขึ้นไปให้อุปสมบทกลุ่มบทจึงควรหรือทรงบัญญัติไว้ว่า นาพิกเวอูนดาดสวาเคนาขนเนนะอุปสัมปาเดตะ บ, บังอนุชานามิพิกเวดสวาเกนะวาอติเรกดาดสวาเกนาวาขนเนนาวาอุปสัมปาเดตุงตามว่าคณะส์มีวัดสิบย่อนอยู่อย่าให้อุปสมบทกุลบุตรถ้าให้อุปสมบทต้องทุกกดคือถ้าไม่ถึงสิบรูปในมัชมัเพเทศเนี่ยให้ปวดนี่ต้องบัดทุกกดนะ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 ถ้าไม่ถึงสิบห้าวันกึ่งเดือนอาบใหม่ใต้องอับัตไปจิตีแต่ว่าในปัจจันแต่ประเทศนี่ไม่มีปัญหาเลยก็อาบได้ตลอดหนังสิ่งใดสิ่งหนึ่งในมัชชิมะประเทศไม่ควรเลยหมายถึงว่าเอาไว้กองนั่งหนังเนี่ยแต่ถ้าทํำรองเท้าไม่เป็นไรใช้หนังทำรองเท้าถ้าเคียงเท้านี่ไม่อนุญาตเสียงเท้าให้ตึงอยู่กับที่เท่านั้นถ้าเคียงเท้าก็ทําได้ไม้ได้ยากแต่ถ้าทํำด้วยหนังเนี่ยเรียกว่า รองเทา้ารเดีต่างกันไปด้วยตรงห้ามไว้วา่านานจินจิจำมังทาเรตะบงังว่ายาพึงทรงหนังอันใดอันหนึ่งถ้าทรงต้องทุกกดหนังเจียมคือหนังชุมพาและหนังแพะถึงใดถึงหนึ่งจะปูนอนหรือว่าปูนั่งในปัจจันตประเทศควรอยู่ในปัจจันตประเทศนี้ใช้ได้ทั้งนั้นแต่ว่าในส ม, มัชิะประเทศนี้ห้ามใช้ปูนั่งปูนอนห้ามทรงไว้ด้วย ในหนังสัตว์ต่างๆเนี่ยตามอัตตกะถาได้กำหนดไว้ว่าเอนิมิโคก็คือทรายวาตานิโคสมันตะสะดะมิโคกฟานกุรงคะมิโคกวางมิขะมาตุโคก็คือเนื้อถึกโรหิตานิโคก็คือละมั่งหนังแห่งเนื้อเหล่านี้อย่างเดียวควรในปัจจันกับประเทศก็คือเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อร้ายวนสัตว์อื่นคือมักกะโตวานอนการาสีโโหข้าง สารโพนางเห็นกัดดะลิมิโคชมดภาราิมิโคพานมรึกเนื้อรายหนังแห่งสัตว์เหล่านี้ไม่ควรในประเทศท้งปวงหนังเหล่านี้สัตว์รายนี้ไม่ควรในประเทศทางปวงสีหะพยักษะอัจฉะการรชาราชสีเสือโครงหมีเสือดาวชื่อว่าพานมรึกเนื้อร้ายใช่แต่จาพวกนั้นอย่างเดียวก็แล้วหนังแห่งสัตว์จำพวกใดซึ่งกล่าวไว้ว่าควรยกสัตว์จำพวกนั้นเสียก็คือเว้น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 จะเป็นเนื้ออะไรก็แด้แต่แนวของเนื้ อ, อร้ายแล้วกระทั่งทองเงินเนี่ยเป็นของใช้ประจำเสนาสนะอันนี้ก็บริโภคได้จับต้องได้ด้วยทําความสะอาดได้ด้วยแต่ว่าเอาไปใช้ที่อื่นไม่ได้ถ้าใช้ที่อื่นก็มีปัญหาต้องอาบัต ด, ด้วยตั้งคำในอรรถกถาว่าสีหะจำ ม, มาดีนางหิปริหาระเนเยวะปฏิเถโพเสนาสนปริโภเคปะนะอากาศปิยังนามนัตถิดังนี้ ก็แลหนังทั้งปวงเป็นขี่หิวิกัดของเครหัดหรือเป็นแต่เครื่องผูกพันจะนั่งอิงนั่งทับควรอยู่จะนอนทับไม่ควรของที่เป็นเครืหัดพวกขี้หิวิกัดยืมใช้แบบของเครืหัดนั่งได้แต่ว่านอนไม่ได้ด้วยตรงอนุญาตเลยว่าอนุชานามิพิถเวขี้หิวิก ต, ตงังอภินิสีดิตุงนาะตะเววะอภิณิปชิตุง อนุชาณามิพิกเวพันธนะมัดตังอภิณิสีติตุงดังนี้ก็แร่ในรองเท้ายกแต่หนังมนุษย์เสียจะทาด้วยหนังสิ่งใดส่งหนึ่งควรทั้งสิ้นแม้ในถุงรองเท้าและสักมีดสักกุญแจก็เหมือนกันดังกล่าวแล้วนะว่าถ้าเป็นรองเท้านี่เขาใช้หนังทำถ้าเขียงเท้าเขาใช้ไม้กับใช้หญ้าทำซึ่งพวกกระถัดเขาก็สวมเขียงเท้ากันนะนะ มันก็จะมีเสียงดังพระชาพราคีไปเดินใส่เขียงเท้าเดินจงกรมถือไม้เท้าในมือสองข้างเลยก็เดินจงกรมก็ดังกระตะกระตะกตะพระพุทธเจ้าว่าตรัสถามพระนอนุ์ว่าเสียงอะไรเสียงอะไรกระนุนก็ทูลพระชพราพคีเดินใส่เสียงเท้าก็ทรงบัญญัติขีขาบทว่าไม่ควรในการที่จะสวมเขียงเท้าทำเสียงดังสมาธิของมิจุอื่นเคื่อนหมดก็ห้ามสวงเขียงเท้าแต่ว่ารองเท้านี่ใช้ได้เป็นหนังนะ ต่อไปข้อหนึ่งยาสวมรองเท้าสีต่างๆมีสีเขียวเป็นต้นด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวสั บ, บะนีลกาอุปาหนาะข้อความละณสั บ, บะมหานามรัตาอุปาหนาทาเรตบาว่าอย่าสวมรองเท้าเขียวทั้งปวงดังสีดอกผักตบและเหลืองทั้งปวงดังสีดอกกัิกาใหญ่และแดงทั้งปวงดังสีดอกฉบา และแดงสํารานดังสีฝางและดําทั้งปวงดังสีประคําดีควายและแดงเข้มทั้งปวงดังสีหลังตะขาดและรองเท้าสีแดงเจือกันดังสีใบไม้แก่ในอัตถา ก, กุรุนดีว่าดังสีดอกบัวถ้าพิกสุดใดทรงรองเท้าดังนี้ต้องทุกกดในรองเท้าเหล่านั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มาแล้วเช็ดน้ํายาเสียด้วยผ้าขีริュทําลายสีเสียแล้วสวมก็ควร แม้ทำลายสีเสียสักหน่อยหนึ่งก็ควรพวกดำร่วนแดงร่วนต่างๆเหล่านี้นี่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นต้องเอาไปทำให้เสียสีเอาปากกาดำๆอะไรเนี่ยไปทำให้เสียสีนั้นมันจะจางไปที่หลังก็ไม่เป็นไรแล้วข้อหนึ่งอีกแม้รองเท้ามีหูสีเขียวเหลืองแดงสำราญและสีดำสีแดงเข้มสีแดงเจือกันก็ไม่ควรเหมือนกันรองเท้าสีจะใช้ได้มันขมุขมอม สีปนก็นแล้วแต่ว่าถ้าหูรองเท้านี่มีสีเขียวเหลืองแดงสำราษฎร์สีดําสีเข้มอย่างนี้ก็ไม่ควรสีแดงเชือกันก็ไม่ควรได้สงห้าไมไว้ว่านาภิกเวนีรกะวัตพิกาอุปาหานาข้อความละนาั บ, บะมหานามะรัตะวัตพิกาอุปาหานาทาเรตบาดังนี้และรองเท้ า, ท, าที่มีสายรัดมีสีเขียวเป็นต้นเหล่านั้นก็พึงทําลายสีเสียก่อนแล้วสึงสวม ข้อหนึ่งอย่าสวมรองเท้าปกส้นเท้าปกหลังเท้าเป็นต้นด้วยทรงห้าไหมไว้ว่าณนะพิกเวขันลกะพัทธาณปูตะพัทธาณตาลิกุณธิมาณตูละปุณิกาณติติระปติกาณเมนทะวิสาณวัติกาณอชวิสาณวัติกาณวิถิกาลิกาณโมระปินญชะปริสิตบิตาณนะ จิตราปุปาหานาทาเรตบา ว, ว่าอย่าตรงรองเท้าที่ผูกหนังตั้งแต่พื้นดินมาปิดต้นและรองเท้าปิดเท้าทั้งหมดจนถึงแท่งดังรองเท้าของชาวโยนกและรองเท้าปิดเท้าเพียงมากว่าหลังเท้าข้างบนไม่ปิดแข่งและรองเท้ายัดด้วยนุ่นและรองเท้าประกอบด้วยสายหูสันฐานดังเขาแกะในที่ที่เป็นช่อ และรองเท้าประกอบด้วยสายหูสันฐานดังเขาแพะในที่ที่เป็นชอบและรองเท้าประกอบด้วยสายหูสันฐานดังหางมาแมลงปองหรือว่ารองเท้าที่คลิบเย็บ ด, ด้วยแววนกยูงในพื้นหรือในหูดังเย็บ ด, ด้วยได้และรองเท้าอันวิจิตโดยสันผานต่างๆถ้าแลพิจูดใดทรงรองทเอง ท, กกองท้าเหล่านี้ท้ต้องทุกกดในรองเท้าเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มา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 รองเท้าย่าเป็นต้นด้วยทรงห้ามไว้ว่านาภิกขเวกาจิสังกะมะนิยาปาดุกาทาเบตาบาอนุชานามิขความละติดโสปาดุกาโย ο, ทุวัฏฐานิยาโย ο, อสังกะมณียาโย ο, วัจจะปาดุกังปัสสาวะปาดุกังอาจะมะณะปาดุกังว่าทิฏุอย่าเพิงทรงเขียนเท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือ เทียงเท้าไม้เทียงเท้าทําด้วยใบตาลทําด้วยใบไผ่ทาด้วยหญ้าและทําด้วยหญ้ามุงกระตาหญ้าปล้องและทําด้วยเต่ารั้งทํำด้วยแสกและทำด้วยขนเจียมเทียงเท้าทําด้วยทองเงินแก้วมนวันีแก้วไพลทูลแก้วผลึกสังกสีดีบุกทองแดงเหล่านี้ก็ดีและเทียงเท้าอันใดอันหนึ่งที่จะพาก้าวเดินไปได้ถ้าทิกตุใดทรงเทียงเท้าเช่นนั้นต้องทุกข์กด เขียงเท้านี้ก็ใช้คําว่าปาดุกาแต่ถ้าเป็นรองเท้านี่ใช้อุปาหน า, าอนลอกโทรศัพท์กันนั้นเขียงเท้านี้ก็หมายถึงที่ทําด้วยไม้ด้วยหญ้าแล้วก็ด้วยทองด้วยเงินแก้วมณีรัตนะต่างๆเหล่านั้นนี่ไม่อนุญาตจะเป็นเสียงเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากอาที่เป็นตั้งเอาไว้สามอย่างและพระองค์ทรงอนุญาตเสียงเท้าสามอย่างที่ตั้งอยู่เป็นนิดไม่พาเก้าวเดินไปได้คือเขียงรองเท้าเป็นที่ถ่ายเวท ที่รองเหยียบที่ถ่ายจระเสียงรองเท้าเป็นที่ถ่ยปัจจุบัที่รองเหยียบไทยปัจจะบันั่นแหละเสียงรองเท้าเป็นที่ชําระด้วยน้ําได้ความว่ารองเท้าหนังอย่างเดียวจึงควรใช้แต่ยุคนี้ก็สงเคราะห์พวกยางพวกหนังเทียมต่างๆข้อหนึ่งอีกที่สุผู้เป็นอาจารย์หรือเป็นอาจารรมัตต์ก็คือพอที่จะเป็นอาจารย์ได้ และอุปชาหรือพิกษุผู้เป็นอุปชายมัตต์ก็คือพอที่จะเป็นอุปชาได้ไม่สวมรองเท้าเดินอยู่พิกสุหนุ่มสวมรองเท้าเดินไปต้องทุบกดกด้วยทรงห้าไมไว้ว่าณพิขเวอาจาริเยตุอาเจริยมัตเตตุอุปชาเยสุอุปชายมัตเตตุอนุปาหาเนตุจังกะมันเตตุสัปปปาหาเนนะจังกะมิตรบังดังนี้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 นิสัยอิสระพิจุรูปนี้ได้เพราะพิจุรูปนี้ก็จะมีพรรษาจิตก็สามารถจะเป็นอาจารย์ได้เหมือนกันผู้เจ็ดรรษาชื่อว่าอาจารย์ระยมัดแห่งผู้พรรษาเดียวผู้แปดพรรษาก็เป็นอาจารย์ระยมัดแห่งผู้สองพรรษาแล้วก็ผู้เก้าพรรษาก็ชื่อว่าอาจารย์ระยมัดแห่งพิจุสามพรรษาผู้ที่ติดพรรษาชื่อว่าอาจารย์ระยมัดแห่งผู้สี่พรรษาแล้วก็สามารถจะขอนใส่ได้ พิสุผู้เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนกินแห่งอุปชาหรือว่าพิสุผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งแก่กว่าด้วยพรรษาสิทธิพิสุทั้งปวงแม้นั้นชื่อว่าอุปชัยยมัตก็คือผู้ที่พอจะเป็นอุปชาได้เพราะาอุปชานี้จะสามารถที่จะบวชกวระบวนได้แล้วเมื่อมีพรรษาสิทไปแล้วแต่ก็ต้องมีคนถึงสมบัติด้วยนะผู้พอที่เป็นอุปชาได้พิสุเพียงนี้แหลไม่ได้สวมรองเท้าเดินอยู่ครั้นสวมรองเท้าเดินไปคือพิกษุหนุ่ม ติจุหนุ่มเนี่ยสวมรองเท้าเดินไปนี่เป็นอบัตทุกกฏก็ต้องระวังนะว่ามีปจิจุถ้าเป็นความเคารพจริงๆเนี่ยนะก็คืออันนี้หมายถึงว่าอาบัตทุกกฎแต่ถ้าติตุที่แก่กว่าการทั้งสองภาษาเนี่ยเขาก็แก่กว่าแก่กว่าเรานี่ถ้าไม่ได้สวมรองเท้าอยู่ของเรานี่ยดื้อมํานความเคารพก็ไม่ต้องสวมรองเท้านี่ก็จะดีมากเลยนะแต่ถึงแม้สวมก็ยังไม่มีอบัตไม่มีอบัตเพราะว่าทรงแสดงไว้ต้องเป็น ผู้ที่เป็นอุปชาอาจารย์หรือว่าเป็นอาจาริยมัสหรืออุปชายมัสไม่สวมองเท้าถ้าเราสวมนี้ถึงจะต้องอบัตแต่ถ้าพิกจุตามกว่า น, นี้ก็ไม่ได้แสดงอบัตไว้แต่ว่าก็มีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงให้อาวา่ากับพระมหาการส ต, ตักับตั้งความยำเกรงความเคารพในพิกจุผู้ใหม่ผู้ปานกลางแล้วก็ผู้เป็นเทระก็พระสูตรที่แก่กว่าแม้ยังไม่ได้เป็นเทระก็ตามไม่ได้เป็นอาจาริยมัสหรือว่าเป็นอุปช า, ายมัส แก่ว่ากันกันษาของภาษาอย่างนี้ก็ล้วยทางเคารพถ้าท่านอยู่ในที่ต่ำเราก็ควรจะไม่อยู่ที่สูงกว่าหรือว่าท่านไม่สวมรองเท้าเราก็ไม่ควรจะสวมรองเท้าด้วยอันนี้ก็ยานาาดิกถาเรื่องของยานเป็นต้นประจกวันนี้ก็คงจะสมควรจะเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศรัทธาในพระธรรมตรัยแล้วก็อบรมไตรสิตขาโดยเฉพาะเมื่อเป็นพระภิกฑุก็เริ่มต้นจากการที่ มีปาติโมกสังวรศีนซึ่งเป็นอาทิเศวณิติกขาพร้อมทังอินดริยะสังวรศีนอาชีวบริสุทธิศีนแล้วก็ปัจจัยนิสิตศีนซึ่งจะเป็นฐานสําคัญอันจะทําให้อบรมจิตติคขาคือทําให้จิตสงบระงับจากนิวรณ์ได้ง่ายแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาคิดขาก็คือพิจารณาสังขารด้วยความเป็นนามธรรมรูปธรรมที่เกิดจากปัจจัยแล้วก็น้อมไปในการที่จะรู้ว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าในที่ยังเป็นทุกข์แล้วก็ เป็นอนัตตาด้วยก็ขอให้ได้โอกาสของการบรรลุธรรมโดยทั่วกัรด้วยเทิอน Return. สาธุสาธุสาธุ